มันอยู่กับตัวเราแล้วก็มันไม่ต้องไปค้นหาธรรมะที่อื่นพระพุทธเจ้าไม่สามารถให้ธรรมะกับเราได้แต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักธรรมะที่อยู่ในตัวเราได้แต่จะเอาธรรมะให้เราน่ะไม่ได้เพราะธรรมะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะตนเพราะนั้นจะไปสแสวงหาที่อื่นไม่ได้ต้องสแสวงหาใน ในตัวเราทั้งนั้นพ เ, พเพศก็ทําขึ้นนี้ก็ก็ให้ธรรมะกับใครไม่ได้แต่บอกธรรมะที่อยู่กับตัวเองได้อยู่กับตัวของผู้ฟังอะอยู่กับตัวของผู้ที่ต้องการแสวงหานะ่ะแต่พระไม่สามารถเอาธรรมะให้ได้มันให้กันไม่ได้ ไ, ได้แค่บอก อะไรมันเป็นถ้าจะาสาวมีสีแดงก็เห็นแต่ว่ามันเป็นเทืดตัวไหนไหตัวล่าสุดนะ เ, นเออเไม่ใช่เพืล่าสุดเออก็ช่วงเวลานั้นจะมาเคลียร์คำถามที่ถามอยู่ในเพจนะว่าที่ถามกันมาน่ะอันล่าสุดไม่ใช่อันที่กําลังถ่ายนี่เด้ อันล่าสุดคือก่อนนี้นะที่ถามกันมาในเพจนะที่ยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้เคลียมันล่าสุดหรือเปล่าจริงคืน้าเออนั่นแหละไหนลองไล่ดูคำถามหน่อยสิเออมันสาธุร น, นั้นก็ใช่แต่อันที่เขาถามนะเขาถามอะไรบ้างจะได้ตอบ แต่่วาคนคนสาธุเขาก็สาธุกันอยู่แต่คนที่ถามก็มีอยู่ถามเพื่อการศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจมีอยู่โน่นมันต้องไล่ไปจนถึงสุดโน่นหมายถึงเออเล่นเนี่ยมันต้องทันเลยเล่นทําเล่นเฟสเล่นอะไรให้มันต้องทันนี่เขตเนี่ยเราอย่งงั้นก็ไม่เข้าใจมันก็ศึกษาอยู่นานกว่าจะ เปิดโอกาสให้โยมเขาได้ทําตัวนี้ขึ้นมานี่เเขาก็สละออกมาเป็นเครื่องถ่ายทอดเนี่ยอุปกรณ์พวกเนี้ยทีแรกก็คิดเลยมันมันจะดีอยู่หรือว่าถ่ายทอดสุดรกไปอย่างนี้สุดท้ายก็ดีเนี่ยแล้ว ไ, ได้อย่างงี้รู้รับรู้มันก็มีประโยชน์ต่อคนอยูคอ่คือเห็นในเฟซแล้วก็อยากมาทันทีนั่นเห็นในเฟซก็อยากจะมาทันทีนท <laughs> เนี่ยการทำเพศก็ได้ประโยชน์อย่างนี้แต่เทศอย่างนี้นนฟังให้ดีนะคนที่รับฟังอยู่เทศอย่างนี้ไม่ได้ต้องการให้มาเข้าใจไหมอันเนี้ยไม่ได้บอกให้มาและไม่ได้ต้องการให้มาแต่อยากจะมาเองเนี่ยที่โยมที่ฟังอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเทศแล้วฟังแล้วเข้าใจแล้วปฏิบัติอยู่ที่บ้านไม่จะเป็นต้องมาที่นี่เห็นกันก็เห็นอย่างนี้หน้าก็หน้านี้เหมือนกันกับในในเครื่องนั้นว่าพระโพธิสัตว พระโพธิสัตว์ต้องเรียนกับใครพระโพธิสัตว์หากถ้าจะมองจุดเริ่มแรกของพระพุทธเจ้าความเป็นโพธิสัตว์นั้นไม่ได้เริ่มต้นไ ป, ไปเรียนที่ไหนแต่ความเป็นภูทริสัตว์นั้นเกิดเริ่มจากปณิธานภายในจิตของตนไม่มีการศึกษาเราเรียนจากที่ไหนต้องเกิดจากธรรมชาติแห่งจิตที่ปรรบการทําคุณงามความดีและบาเพ็ญประโยชน์เพื่อ อะไรเพื่อมนุษย์โลกเพื่อบุคคลอื่นหวังให้เขาพ้นจากความทุกข์อย่างท้าวร น, นั่นคือการบําเพ็ญของโพธิสัตว์หากเรามองประวัติของพระพุทธเจ้าที่โพองทรงเริ่มตั้งปฏิทานตั้งแต่ครั้งแรกก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเรียนกับใครแต่ตั้งจิตอยู่ว่าหลักคุณธรรมใดอันเป็นของโพธิสัตว์คือผู้กาลังบาเพ็ญผู้ที่จะบำําเพ็ญความดีเนะนะ ที่จะประพฤติหลักปฏิบัตินั้นขอให้บังเกิดขึ้นในกระแสแห่งมโนทวารคือใจให้ให้บังเกิดขึ้นคือมีอะไรมีพ้าที่เป็นเครื่องดนใจคือเป็นความพิเศษสำหรับบุคคลผู้ตั้งปฏิธานที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ตั้งปฏิทานไว้ว่าข้าพเจ้าจะนะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อกูแกเหล่าสัรพสัตว์เพื่อหวังให้เขาพ้นจากทุกข์ทั้งปวง เนี่ยคือการตั้งปฏิธานอย่างนี้ปฏิปทาเหล่าใดเป็นไปเพื่อการกระทําให้สรบพัสสัตพ้นจากความทุกข์ทั้งพวงได้ขอให้ข้าพเจ้าจงทราบปฏิธานเหล่านั้นทราบปฏิปทานั้นก็ตั้งปฏิปทานั้นไว้ในใจก็พิจารณาทีนี้พิจารณาด้วยสติปัญญาของตัวเองว่าอะไรเป็นปฏิปทาอันเป็นเครื่องทาให้สับพัสสัตทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ตั้งปฏิปธานขึ้น ค้นหาว่าอะไรโค้ง ก, ก็ทราบว่าคือทานศีลเนครามปัญญาวิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาเบคาพวกเนี้ยคือบา ร, รมีสิบประการอย่างที่เรารู้เนี่ยพระเจ้าก็ไม่ใช่พระเจ้าโค พ, พิสัตว์นั้นก็จะทราบพิจารณาว่าปฏิปทานนอกเหนือจากนี้โค้งจะไม่มีอีกที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์และพาให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์ก็เลยเขาเรียกว่าอะไรปาถิหาเลยทีนี้ ตั้งปฏิาปาฐานละปาธนาว่าข้าพเจ้าจะเป็นสมมาส ม, มุทะเพื่อการยังสัตว์พรัตทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลก็บำเพ็ญมาบำเพ็ญมาบำเพ็ญมาจนได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็ตัดสั่งสอนทำพาเหล่าสัตว์ทั้งหลายเข้าสู่นิพพานพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ตามกําลังของ บุคคลผู้รับฟังทำในยุคแต่ละยุคใช่ไหมละ่ะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็มีพุทธภาวกแตกต่างกันมากน้อยไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าเราก็มีพุทธสาวกมาตั้งแต่2องพันห้ารอกว่าปีจนมาถึงยุคของพวกเราและในยุคของพวกเราที่จะเป็นพุทธสาวกได้ไม่ใช่ว่าแค่เปล่งประกาศว่าเป็นผู้นับถือพุทธศานาแล้วเป็นพุทธสาวกได้เลยนั้นไม่ใช่นะความเป็นพุทธสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นหรือทรงยอมรับ หรือทรง เ, เขาเรียกว่าอะไรที่พระองค์ทรงบอกว่าควรที่จะเป็นพุทธสาวกได้คนคนนั้นจะต้องยึดพระรตนตาไยตอย่างสมบูรณ์ก่อนถึงจะเป็นพุทธสาวกได้สาวกผู้ประพฤติตามผู้กระทาตามผู้กับผู้ยึดถือคําสั่งสอนตามนี่คือพระรันตนาไตย เพราะฉะนั้นหากเรายังไม่เข้าใจเรื่องของพระรัตนตรัยยังไม่ชื่อว่าเป็นพุทธสาวกในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทีนี้ในคำถามบอกว่าโพธิสัตว์เนี่ยจะไปเรียนเรื่องของโพธิสัตว์นี้จากใครทีนี้เราก็มีปฏิปทาของโพธิสัตว์องค์ก่อนมาแล้วเราก็สามารถกลับไปเรียนรู้ปฏิปทาของโ พ, พธิสัตว์องค์ก่อนได้คือพุทธเจ้าเรานี่แหละก็เป็นแบบอย่างของโพธิสัตว์ก็ไปเรียนจากพุทธเจ้าในในข่าวที่พวงทรงบําเพ็ญเป็นโพธิสัตว์กันได้ หากไม่มีที่เรียนมันจะต้องเกิดมาจากการขบคิดภายในตนเองที่จะส่งรู้เองเพราะความเป็นผู้ริสัทจะต้องมีข้อปฏิบัติหรือปฏิปทาอันเดียวกันโพี่สัตว์จะไม่มีปฏิปทาแยกออกจากหลักการที่บําเพ็ญกันมาหมายถึงว่าใครจะเป็นโพริสัตก็ตามต้องอยู่ในหลักของบา ร, รมี10ประการนี้ไม่มีบา ร, รมีที่11หรือไม่มีบา ร, รมี9 ต้องเป็นบรารมีสิประการเท่านั้นจากบรารมีธรรมราก็เป็นอุปปารมีจากอุปปารมีคือบรารมีชั้นปานกลางก็เป็นป ร, ป ร, มรามัตถบารมีบรารมีชนิดเข้มข้นที่จะทําให้เกิดความเต็มบริบูรณ์ในบรารมีทั้งปวงให้ทานเต็มอะไรเงี้ยก็อยู่ในยุค ข, ของพระเวสสันดรที่เรารู้กันนั่นคือเต็มแต่ในชั้นให้ทานทั่วไปนั้นเป็นทานทานทานให้วัตถุทานอะไรเงี้ยก็เป็นทานธรมรมดาให้ แม้แต่สละอวัยวะเป็นทานเช่นเคยสละดวงตาแกะดวงตาออกมาแล้วมอบให้คนอื่นอันนี้ก็เป็นอุปาปาลมีแล้วก็สละทานในชั้นของพระเวสสัดดนดรคือสละทั้งหมดอันนี้คือเป็นปรมาธมารมบาลมีอย่างเงี้ยต้องเป็นแนวนี้การบำเพ็ญของโพธิสัตว์ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนต้องเป็นอย่างนี้หาโพธิสัตว์ใดมีปฏิปทา น, นอกเหนือจาก10ประการนี้บาลมีสิประการนี้โพธิสัตว์นั้นไม่ใช่โพธิสัตว์ อาจจะเป็นโพธิสัตย์แบบยังไงยังยังหาหนทางตัวเองไม่เจอนะคือหวังให้คนอื่นพ้นทุกข์อยู่แต่ปฏิปทายังไม่ตรงเพราะยังมีมิจฉาทิถีครอบงำอยู่โพธิสัตย์ยังยังเป็นแบบอ่อนๆบารมีอ่อนๆอ่อนยังไม่ชื่อว่าเป็นบารมีแต่ก็ยังเป็นบริเแบบอ่อนๆอาจจะนำพาคนไปในทางหลงผิดอย่างเงี้ยได้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่า หากโพธิสัตว์เราใดเกิดในยุคสมัยที่มีพระพุทธศาสนาอยู่โพธิสัตว์นั้นจะต้องประพฤติตนให้เป็นไปตามหลักของพฤศาสนาเท่านั้นโพธิสัตว์นั้นถึงจะเป็นโพธิสัตว์ที่จะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ในเบื้องหน้าได้ที่ถูกต้องนะมีถามมาต่ออา้าวกำลังจดุด ที่นี้มีผู้ทสัตว์เยอะถูกวันนี้ผู้ทสัตว์อะไรก็ไม่รู้มากมายไวยากรณ์มีไว้ทาไมไวยากรณ์มีไว้เพื่อไวยากรณ์ไวยากรณ์หมายถึงว่าการศึกษาพื้นฐานบาลีทำคำค ำ, คำบาลีภาษาอย่างเงี้ย น, <ม>ในะใครเรียกไวยารกรณ์อ่าใช่มันมันจะเกี่ยวกับการถา ม, มาคาว่าไวยากรณ์ เือเป็นพื้นฐานทางการกา ร, การเรียนบาลีเพื่อให้รู้จักรากฐานของบาลีอย่างเช่นคําว่าพุทธะมาจากรากฐานของอะไรถ้าไม่ไปเรียนไวยากรณ์จะไม่รู้อย่างเงี้ยธรรมะมาจากรากฐานของภาษาเนี่ยคำว่าธรรมะมาจากคาดของอะไรรากฐานเดิมของของศัพท์นนะเนี่ยนะสังฆะเนี่ยลากฐานเดิมมาจากศัพท์ไหนอย่างเงี้ยนั่นคือไวยากรณ์มีไว้เพื่อให้ผู้ศึกษาบาลีได้เข้าใจบาลี แล้วก็ได้แปลออกมาอย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนนะบริรณ์เข้าใจนะสังฆกรรมคืออะไรใช้ในกรณีใดครับสังฆกรรมคือกรรมของสงฆ์คือการการะทาของสงฆ์หรือวากิจของสงฆ์สังฆกรรมมันมีหลายประเภทประเภทสังฆกรรมโดยใช้ภิกษุสียรูปขึ้นไปก็คือมีอัปโรนกกรรมโอ้อาจารย์ที่าบให้หมดทุกอย่างมันก็ไม่ไหวแล้วนี่ อพอโรนักกา ร, ก ร, รคือการแบ่งแบ่งแบ่งของสังฆท า, านประกาศแบ่งสังฆท า, านอพอโนกกรนกกรรหรือกรรมในเรื่องของสีรูปก็คือส่วนปฏิโมกนะคือสงสีรูปขึ้นไปอันนี้ตัวอย่างสงห้ารูปคือลักกะถินหากพระภิกษุไม่ครบ5รูปไม่สามารถลักกะถินได้ที่จําพรรษาในอาวาตนั้นๆอันนี้คือสังฆกรรมอีกแบบหนึ่งสังฆกรรมที่ใช้สงสาม4รูปขึ้นไป สังคกรรม3ารูปไม่มีใช้พระสงฆ์4รูปขึ้นไปสังคกรรมที่ใช้พระสงฆ์หรูปขึ้นไปสังคกรรมที่ใช้พระสงฆ์สิรูปขึ้นไปคือใช้ในการอุปสมบทสังคกรรมที่ใช้สําหรับพระสงฆ์20รูปเป็นอย่างตำ่ำขึ้นไปก็ใช้ในกรณีอภรรยาเข้อมูลก็ไปดูเอาในแบบนะว่าในแบบมันก็มีอยู่ไม่ก็ก็อธิบายย่อๆให้ฟังเท่านี้ อาบัตกี่ประเภทใช้ในกรณีใดมีสมัยพุทธกาลไหมมีความหมายว่าอย่างไรอาบัตหมายถึงว่าสิ่งที่พิทุสูร่วงละเมิดอย่างเงี้ยเป็นผู้ต้องโทษอาบัตแปลว่าผู้ต้องโทษก็าจะมีปราชิกสี่สังฆาที่เศสีสามอนิยตสองนิสกิยาปาจิตีสามสิบปาจิตี 92, เก้าสิบสองเซกคิยวัดเจ็ดสิบห้าอาทิกรณะสมัฏฐาเจ็ดข้อ รวมทั้งหมด227ข้ออันนี้เรียกว่าอาบัตหมายถึงว่าหากผู้ใดก็ตามละเมิดไปแล้วเป็นผู้ต้องโทษต้องในอาบัตต้องโทษคือต้องในสิกขาบทที่พองค์ทรงบัญญัติถ้ามไว้เป็นขอบเขตเป็นเขตแดนเป็นขรอบประพฤติปฏิบัติควบคุมพฤติกรรมของพระภิกษุไม่ให้ภิกษุประพฤตินอกฤรธิ์นอกรอยหากภิกษุเราได้ประพฤตินอกฤรธิ์นอกรอยจากอาบัตที่พระองค์ทรงบัญญัะนะติไว้ภิกษุเหลานั้นแปลว่าผู้ต้องโทษคือผู้ต้องอาบัต ผู้ต้องโทษก็มีในสมัยพุทธกาลผู้เจ้าบัญญัติไว้ตั้งแต่พุทธกาลโน้นก็มีเรื่องเล่าว่าภาษ า, าริบุตรทรงปริวิตกว่ า, าศาสนาของผู้เจ้าจะสืบต่อไปหรือไม่ในภายภาคหน้าจึงได้ไปถามพุทธองค์ว่าสาธุประเจ้าค่ า, าศาสนาของพระองค์ จ, จะสืบตอบต่อไปได้หรือไม่เมื่อพระปริยพานไปแล้ว พระพุทธเจ้าก็บอกว่าสารีบุตรศาสนาจะสืบต่อได้โดยการบัญญัติพระวินัยคือบรรดาอาบัติทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าชมบัญญัติไว้คือเรียกว่าสิข่าบทหรือว่าโทษนี่หากไม่บัญญัติพระวินัยศาสนาจะไม่สืบต่อมีพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนี้ไม่บัญญัติพระวินยัยเมื่อพระองค์พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นปรนนี้ผ่านปับ๊บศาสนาก็หายสาบสูญจากโลกไม่สืบต่อแต่เนื่องด้วยว่าพระพุทธเจ้าเราบัญญัติพระวินัยไว้ ความเป็นสงจึงดําเนินมาได้ด้วยพฤติกรรมแห่งศีขาบทที่วงทรงบัญญัติควบคุมการการทําของพระพิสุไว้ให้อยู่ในล่องในรอยพุทธศาสนาจึงสืบทอดมาชอบสืบทอดมาจนบัปัจจุบันนี้เนื่องเพราะพระพินั ย, ญญ ว, น ว, นย ว, วงทรงบัญญัติไว้ภาษาลีบุตรก็เลยว่าขอวงทรงทรงบัญญัติพระพินายเถิดพระเจ้าข้าพระเจ้าบอกว่าบัญญัติยังไม่ได้อา่าทำไมหรือพระเจ้าข้ายังไม่มีผู้กระทาผิดก็ยังบัญญัติไม่ได้ ต่อเมื่อมีผู้กระทําผิดแล้วจึงจะบัญญัติได้เอาแล้วทําไมพระองค์ทรงไม่บัญญัติก่อนจะได้กันพิสูจน์ไม่ให้กระทําผิดเลยพระเจ้าค่ะโพก็บอกว่าหากกระทําเช่นนั้นก็ไม่มีมูลเหตุอันสมควรที่จะบัญญัติหมายความว่าความผิดยังไม่เกิดเราไปบัญญัติก่อนนั้นมันไม่มีเหตุผลใดเลยไม่มีเหตุควรที่คนจะรักษาไว้อ่ะคือรักษาไว้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเหตุต้นเหตุแล้วว่าต้นบัญญัติว่าควรทาผิดอย่างนี้ ว่ามันเป็นความผิดจึงต้องบัญญัติห้ามแต่ถ้าไม่มีมูลเหตุความผิดแล้วไปบัญญัติว่าอันนี้ห้ามทําอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่รู้เหตุผลในการที่จะต้องรักษาเข้าใจไหมแม้แต่กฎหมายเองก็ตามต้องมีผู้ทําผิดก่อนเขาถึงจะบัญญัติขึ้นมานะมันเป็นอย่างงั้นอะไรนะถามเมื่อกี้ มั น, ม, น, ม, ม, นมันไม่ใช่วัวหายลออ้อมคอกอันวัวหายลออ้อมครอบหมายถึงว่ามันมีมูลเหตุแล้วแล้วปล่อยให้มูลเหตุอันเนี้ยดําเนินไปแล้วมาล้อมคอกทีหลังอันนั้นอันนี้มันยังไม่มีมูลเหตุนะกฎหมายต้องตามหลังโจรผมพูดง่ายคือต้องมีโจรก่อนจึงจะมีกฎหมายไม่ใช่ว่ากูบัญญัติเลยยังไม่มีใครทําผิดแล้วบัญญัติไปแล้วห้ามไปแล้ว มันไม่ใชก่กฎระเบียบทุกอย่างว่าไม่ว่าอะไรก็ตามนะหากยังไม่มีมูลเหตุแห่งความผิดเกิดขึ้นอยากอยาบัญญัติหรืออยากตั้งกฎใ ด, ดๆขึ้นมามันต้องมีมูลเหตุมันถึงจะถูกต้องด้วยเหตุและผลการให้ธรรมะอะไรเกิดประโยชน์สูงสุดเห้ถามแปลกๆให้ธรรมะอะไร เกิดประยชน์สูงสุดประโยน์สูประโยชน์สูง ส, ส, สุดนี่ให้อะไรมรรคให้มรรคมรรคกับอริออย่มรรคจะเกิดขึ้นได้ยังไงหากไม่มีสติจะมีมรรคเกิดขึ้นได้ไห ม, นนมสติที่สติธรรมควรจะเป็นธรรมที่ควรจะให้แก่กันและกันก่อนใช่ไหมให้สติธรรม แต่สิ่งที่วงทรงเน้นย้ำ ม, มากที่สุดก็คือเมตตาธรร ม, มเป็นสิ่งที่ควรจะให้กัน <c oughs> เป็นอันดับแรกในศาสนาของพุทธองค์นี้นะพ<ม>งมักจะเน้นการหนึ่งอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาพูดกันด้วยเมตตา<ม>กระทาต่อกันด้วยเมตตา<ม>อันเนี้เป็นธรรมะที่ให้ต่อกันและกันแล้วจะนํามาซึ่งประโยชน์สูงสุดเรียกว่าความเป็นกัลยาณมิตรนั่นเอง เพราะพระเจ้าบอกว่าความเป็นกัลยาณมิตรคือทั้งหมดของชีวิตเป็นทั้งหมดเลยนะพบเพื่อนดีก็ดีไปด้วยกันใช่ไหมละ่ะพบเพื่อนเลวก็เลวไปด้วยกันใช่ไหมละ่ะเนื่อพากันไปฆ่าก็ฆ่าไปกันทั้งกกทั้งเหล่ากันเลยใช่ไหมละ่ะก็ออกข่าวกันอยู่นั่นหากไม่พบกันมาก่อนอันคนที่ทําก็ทําแค่คนเดียวใช่ไหมละ่ะแต่พอมีเขาพบกันก็มีเพื่อนที่ร่วมกันทํามันก็เปลี่ยนไปอันด้วยกันเขาบอกว่า กัลยาณมิตรคือทั้งหมดของชีวิตคือทั้งหมดของพรหมจรรย์เพราะนั้นธรรมะที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษย์ต่อคนที่อยู่ร่วมกันก็คือเมตตาธรรมนะจะดีที่สุดวิธีตัดภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดควรทำอย่างไรอยากตัดภพชาติไหมอยากหยุดการเวียนว่ายตายเกิดไหมตอน น, ตอนนี้ยังไม่อยากอันนี้อยากเนีย่ยคงจะอยากกันอยู่นอนเนี่ย แต่นี้บอกยังไม่อยากแสดงว่ายังอยากอยากจะเจอทุกอีกอยู่อีกเยอะๆต้องเจอความทุกข์อย่างที่เคยเจออีกซ้ําๆซักๆถึงถึงจะหมดอยากไม่กินอยงั้นก็คืออยากจะรู้ว่าคนสุดท้ายถ้าบั้นปลายของเรามันจะเป็นยังไงเนี้ยไปไปรู้ผลสุดท้ายแห่งบั่นปลายบั่นปลายของชีวิตก็ตายกันทุกคนนั่นแหละใช่ก็คือเราจะหมายถึงว่าเหตุ ทำมาแล้วผลผลจะเป็นยังไงเนะก็ผลไปตามเหตุเนี่ยผลก็เป็นไปตามเหตุอย่าไปมองเฝ้าดูผลที่มันจะเกิดขึ้นในฟายภาคหน้าแต่จงสร้างเหตุน้ไว้ตามเหตุปัจจัยแห่งการกระทำทาไปเถอะผลจะเป็นยังไงไม่ต้องไปสนเพราะผลบางอย่างมันไม่ได้ให้ผลในปัจจุบันนี้ผลบางอย่างมันรอให้ผลชาิโน้นที่จะเกิดขึ้นในต่อต่อไปโน้น แต่ปัจจุบันนี้มันอาจจะเป็นผลมาจากอดีตที่กําลังจะให้ผลเราอยู่ที่เป็นเหตุจากอดีตที่เราทํามาและเรากําลังเสวยผลของอดีตที่เคยทํามาแม้จะสร้างดีแค่ไหนในปัจจุบันนี้ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถส่งผลได้เพราะผลของอดีตมันกําลังกั้นแต่เหตุดีที่เราทําในปัจจุบันนี้แม้จะเจอสิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตก็ตามมันก็จะส่งผลตามเหตุดีที่เราทําในปัจจุบันนี้ในภายภาคหน้าได้อาจจะไม่ใช่ชาตินี้ ไม่ต้องไปรองอืไม่ไปรอไปรอทํา๋อกัเป็นเหมือนเดิมเปหรือต้องเปลียนอะไรเหมือนเดิมใช่เป็นเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าบอกว่าหากเคยเป็นมันจะไม่มันไม่ใช่เป็นแค่ชาติเดียวมันจะต้องเป็นอย่างนั้นย้ำๆซ้ําๆจนกว่าจิตมันจะคลายเบื่อหน่ายคลายที่จะไม่อยากจะเจออย่างนั้นอีก มันถึงจะหาทางออกพอหาทางออกมันก็จะมีวิธีการออกพอมีวิธีการออกมันก็จะห่างออกจากวิบากเหล่าเนี่ยหากยังไม่อยากจะออกวิบากเหล่านี้ก็จะท้องบนอยู่เพราะอะไรคนที่ไม่พอใจเรามีอยู่ทุกที่เข้าใจไห ม, มเราไม่ได้สามารถทําให้ใครได้พอใจเราได้ทุกอย่างมเมื่อมีคนไม่พอใจเราอยู่ทุกที่คนที่กระทําด้วยความไม่พอใจในกับเราเนี่ยก็ต้องมีอีกแล้วก็ต้องเกิดอีก ก็เป็นเป็นบุเหตุแห่งการกระทบแล้วเราก็ไม่ได้มีสติอยู่ตลอดเวลานี่บางครั้งขาดสติแล้วก็ต้องมีการกระทําตอบเมื่อมีการกระทาตอบมันก็เป็นชนวนแห่งวัตจักรของการก่อเวรที่จะเจอกันที่จะกระทากรรมต่อกันแบบซ้ำซๆำซัก ซ, ก ซ, กซกนี่อีกต่อไปไม่มีทางสิ้นสุดพุทเจ้าจึงบอกว่าความเป็นบุรุษชนไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ในการที่จะเกิดตายเกิดตายเกิดตายในการชดใช้กรรมนะสาเหตุเพราะความไม่รู้ทั้งปวง เราเนี้ยคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเจออย่างนี้ <S <S จึงพอใจที่อยากจะเกิดพอใจที่อยากจะมี <S <S พอใจที่ <S <S อยากจะเป็นไม่ค่ะส่วนดีของคนดีเราก็ไม่มีเอออันนั้นอันนั้นอั น, นดีนะนะั่นน่ะเป็นดีที่ยังไม่พ้นจากความทุกข์ความดีไม่ได้ทำให้ใครพ้นทุกข์แต่ความดีทำให้คนดีได้ดีในสิ่งที่ตัวเองทำ <S <S แต่ไม่ได้ทำให้คนพ้นทุกข์การพ้นทุกข์ต้องอยู่เหนือดีเข้าใจไหม เด้อดีดีมันก็ไม่เที่ยงไงดีเดี๋ยวก็ไม่ดีดีมันก็ดีอยู่แต่กคนที่ดีทุกเต็มไปหมดทั้งแผ่นดินนี้ก็ยังมีอยู่นะแล้วคนดีเนี่ยจะทุกมากกว่าคนไม่ดีนะดูท่านนะเพราะมันดีอ่ะมันดีมากมันก็เลยมันก็เลยทุกมากเข้าใจไหมไอคนที่มันไม่ดีมันไม่สนใจเอาทุกสุขอะไรกับใครมันไม่ได้ทุกเท่ากับคนดีเลยนะไอคนที่ไม่ดีนะ ได้สรุปแล้วเป็นคนดีหรือคนไม่ดีดีเป็นคนดีค่ะเป็นคนดีถึงจะดีเป็นคนดีถึงเง้ยก็ต้องเป็นคนดีก็พรเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคนดีดีกว่าคนไม่ดีโป้งก็ไม่ได้ว่าแล้วพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ใครเป็นคนดีแต่พุทธศาสนาสอนให้คนทำดีแต่ไม่ได้ต้องการให้ใครเป็นคนดีเพราะไม่มีใครเป็นคนดีได้แต่เราสามารถทำดีได้ สังเกตสิบางขณะเราดีแต่บางขณะถามว่าเราดีได้ตลอดไหมล่ะแล้วจะบอกว่าเราเป็นคนดีได้ไหมไ ม, มันจะเป็นได้ไหมล่ะใครที่จะเป็นคนดีได้ไดีไม่ดีไอ้คนดีนี่ดาเก่งขี้ผายเลยเขมีเข้า <laughs> <laughs> ใจไหมทั<จ>นนี้เขาถามว่าวิธีตัดพบตัดชาติตัดตัดชาติการเวียนว่ายตายเกิดควรทําอย่างไรเราก็ต้องดูว่าพบชาติมันสืบต่อไปได้อย่างไร มันสืบต่อไปอย่างไหนความเป็นพบเป็นชาติมันสืบต่อไปอย่างไหนเอาเรียนมานี่เอาเอาคนที่เรียนมาเนี่ยเอาพบชาติสืบต่อไปอย่างไหนพบชาติสืบต่อจากการยึดติดกันเออครับอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพใช่ไหมล่ะเมื่ออุปทานการยึดมั่นถือมั่นเป็นปัจจัยให้เกิดพบชาตินภพบมีเมื่อมีพบก็มีชาติคือมีการเกิดับเมื่อมีการเกิดอเหตุแห่งการเกิดก็คือ การยึดมั่นถือมั่นความมีพพชาติอ um, ุปทานเป็นปัญหาให้เกิดภพและชาติอะไรเป็นตัวให้เกิดอุปทานอะไรทําให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นความอยากใช่ไหมตัณหาอะไรทําให้เกิดตัณหากิเลสก็ยังไม่ใช่เอาอย่างนี้ได้กว่าเขาบอกว่าเมื่อเราสามารถดับอุปทานได้แล้วพพชาติดับไหมดับ พบชาติดับใช่ไหมไดับทีนี้เราจะดับอุปทานได้ยังไงดับอุปทานโดยอากําหนดรู้ทุกเรื่องให้เกิดทุกวิธีกไม่ใช่อะไรลราเป็นตัวเหตุให้เกิดอุปทานการยึดเอาก็าการายึดก็กคือตัวอุปทานความยาใช่ไหมละ่ะอันนี้คือไล่ไลเชค็คผลที่เรียนจะจะจําแม่นไหมถ้าทรงจําไม่แม่นก็ธรรมะมันก็เพี้ยน ธรรมะนี่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่ตรงที่ว่าการศึกษาคือเรียกว่าปริยัตินะถ้าปริยัตเพี้ยนปฏิบัติก็เพี้ยนถ้าปริยัตไม่แม่นปฏิบัติก็ก็เหลวไหลนะอาจจะเป็นความรู้แบบแบบไม่ตร ง, ตรงเป็นความรู้หลงเมื่ อ, อตัณหาดับแล้วอุปทานดับเองใช่ไหมเราไม่ต้องไปทําการปล่อยวางใดๆเลยหากเราสามารถดับตัณหาได้ ตันหาจะทำการดับอ okay. yeah. ุปทานเองเมื่อตันหาดับอุปทานก็ดับถูกต้องไหมเออทีนี้ตันหาจะดับได้อย่างไรจะดับได้ยังไงจะดับได้ยังไงเอ่อใช่มเอาอะไรละเป็นเหตุให้เกิดตันหาก็ไปดูตรงนั้นสิอะไรเอออะไรเป็นอะไรให้เกิดตันหา ไล่หาเหตุคุณเจ้าสอนให้ไล่หาเหตุสาวหาเหตุตัณหามันจะเกิดขึ้นมาลอยๆยไม่ได้ต้องมีเหตุของมันไอความอยากจะเกิดขึ้นมาลอยลอยได้ไหมเกิดจากอุปทานในขันธ์หเนี่ยไปอุปทานอีกแล้วมันโคตรขั้นแล้วเวทานาเวทนาเวทนาคื อ, อความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ไม่ทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้าง สอย่างนี้แหละกอให้เกิดตัณหาตัณหาในอะไรบ้างตัณหาในสุขตัณหาในทุกขตัณหาในไม่สุขไม่ทุกใช่ไหมตัณหาในสุขคือพอใจในสุขคาดหวังในสุขปรารถนาในสุขยินดีในสุขอยากจะให้ชีวิตมีความสุขนี่คือความก่อให้เกิดตัณหาทั้งหมดถูกต้องไหมตัณหาในทุกคืออะไรไม่อยากเจอทุกไม่อยากให้ทุกเกิดขึ้นไม่อยากให้ชีวิตผสมกับความทุกข ไม่อยากจะเจอกับความทุกข์นี่คือตัณหาในทุกข์นะอยากที่จะไม่เจอทุกข์เขาจะบอ ก, บบกอยากอยากที่จะไม่ให้ชีวิตไปถูกกับความทุกข์หรือไประสบกับความทุกข์ความอยากประเภทเนี้ยก็คือทุกข์เข้าไปทนาก็ก่กอให้เกิดความอยากสุขเวทนาก็ก่อให้เกิดความอยากแล้วไม่สุขไม่ทุกขาาก์ก่อให้เกิดความอยากได้ยังไงเฉยๆเนี่ยนะ อาการเฉยเฉยคือไม่สุกไม่ทุกข์ปรากฏเด่นชัดคือไม่ปรากฏว่าเป็นสุขชัดหรือไม่ปรากฏว่าเป็นทุกข์ชัดเหมือนขณะนี้ไม่ได้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ชัดเจนใช่ไหมล่ะ<ม>ก็เป็นธรรมดาเฉยเฉยถามว่ามีความอยากได้ยังไงเพราะว่าเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาต้องเกิดแน่นอนหากเรายังยังมีเวทนาอยู่ตัณหาต้องเกิดก็พอใจนใ้ความไม่สุกไม่ทุกข์ แต่มันไม่ใช่ความพอใจแบบชนิดรุนแรง ช, ชนิดที่มันจะแสดงออกมาชัดเจนอาการที่ไม่สูงไม่ทุกข์มันจะเป็นตันหาได้ก็คือการที่ความเป็นอยู่เฉยๆนี้เราไม่เข้าใจความเป็นอยู่เฉยๆที่เป็นอยู่ ม, มันจึงเป็นความอยากอ ย, ากอย่างหนึ่งที่มันนอนเนื่องแต่ไม่ได้ความอยากที่แสดงออกเป็นเรื่องของเธอเยนทะยานความอยากในชั้นของการมีภาวะดินรนและบีบคั้นอะไรประเภทนี้ อันนี้เป็นความอยากในชั้นที่มันนอนเนื่องเป็นตันหาแบบ อ, อ่ อ, อนๆแต่มันก็พร้อมที่จะสุขพร้อมที่จะทุกข์อาการที่พร้อมที่จะสุขและพร้อมที่จะทุกข์หากมีทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ตามอาการแห่งเวทนาหากมีสุขเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ตามอาการแห่งสุขเวทนาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตันหาที่นอนเนื่องอยู่นี่คืออาการของตันหาอย่างหนึ่งคือสิ่งที่พร้อมจะสุกพร้อมจะทุกข์เพราะฉะนั้นหากดับดับเวทนาได้แล้วตันหาก็ดับแล้วเราจะดับเวทนาได้อย่างไร เพราะมันต้องมีอยู่ตลอดดับได้ยังไงอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาภาษาเห็นไหมคุ <g ül> เจาให้ไรหาเหตุเดย อ, อ, อะไรเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเราภาษากับสิ่งใดแล้วเกิดเวทนาในสิ่งนั้นเห็นไหมล่ะเมื่อดับภาษาได้เวทนาก็ดับแล้วอะไรเป็นปัจจัยให้ภาษาดับ พอถ้าหากมีภาษาเวทนาก็ต้องมีหากดับภาษาได้เวทนาก็ต้องดับอะไรจะเป็นตัวทําให้มีเป็นเหตุให้เกิดภาษาอายตนะะภาษาทางบาลีนี่อาจจะยังไม่คุณแต่นี่เรียนมาแล้วแต่ตอบกันไม่ค่อยจะได้เนี่ยเป็นนักเรียนกําลังเป็นนักเรียนสอนนักเรียนมาก็จะได้รู้ว่าทําไมนักเรียนบางคนมันตอบไม่ได้ก็โปรยยาเข้าใจนะ มันบางทีมันก็จําไม่ได้ใช่ไหมล่ะทีมก็จําไม่ได้ฟังเทศก็ฟังฟังฟังนั่านนี่ยอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดภาษาเพราะฉะนั้นเมื่อดับอายตนะได้ภาษาก็จะดับแล้วภาษามาจากไหนเ อ, อ้ยไม่ใช่อายตนะมาจากไหนดับอายตนะได้ภาษะถึงจะดับอายตนะมาจากจากรูปนนตั้งขันมาจากรูปสั้งขันที่ย่าน มาจากไหนกันเนี่ยสังขาราปัจญาวิญญาณังมีนามปัจญานามาลูกังนามาูปังปัจจลปัจญาสลายตาณังนมาจากมาจากอะไรนามาลูกมีลูกกับนามเมื่อมีลูกมีน้ำลูกคืออะไรถ้าสี่ดินน้ำไฟลมน้ำคืออะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมเมื่อมีลูกกับนามสองอย่างนี้ประกอบกันเข้าภาษาจึงมีอาจตนะจึงมีภาษาจึงเกิด อะไรทําให้เกิดนามรูปทาให้เกิดวิญญาณปิวิญญาณการสืบต่อเข้าใจไหมปฏิสนธิวิญญาณการสืบต่อขอให้เกิดนามรูปอะไรก่อให้เกิดวิญญาณไล่ไปอย่างนี้แหละวิธีเราจะดับภบชาติดับที่ไหนนะอุปทานพอเราไปดับที่อุปทานทีเดียวไม่ได้อุปทานเราจะไปดับมันเลยไม่ได้เข้าใจไหม จะเข้าไปดับที่ตัวอุปทานแล้วเข้าใจว่าจะให้พบชาติดับบรรดับไม่ได้หรอกมันพอมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกันหากเราไปดับที่อุปทานห่วงโซ่เดียวห่วงโซ่อื่นยังมีเมื่อ ห, ห่วงโซ่อื่นยังมีมันยังสามารถก่อให้เกิดอุปทานได้ใหม่เมื่อก่ออุปทานได้ใหม่พบชาติใหม่ก็ต้องมีอีกเหมือนเดิมอย่างเงี้ยบางครั้งเราอาจจะไม่ยึดในเวลานี้เราเข้าใจว่าเราดับอุปทานได้แล้วเราไม่ยึดแล้วไ ม, ม่ยึดถืออะไรข้างพวง แต่เราไม่ได้เข้าไปดับตามลําดับเนี่ยตัวอื่นไม่ดับตัณหาไม่ดับเบธนาไม่ดับภาษาไม่ดับอย่างเงี้ยนามรูปไม่ดับวิญญาณไม่ดับแน่นอนอะ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะดับอุปท า, านได้จริงวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอ่าวิญญาณวิญญาณสืบต่อให้เกิดนามรูปปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณคืออะไรตัวนเนี้ยคืออะไรคือการ คือการทำหน้าท like right? okay? okay? ี leverage, knowledge, knowledge so ่ของการสื่อต่อขันใช่ไหมทาให้ก่อให้มีขันใช่ไหมถูกต้องไหมคือทําให้มีขันคือมีรูปประขันกับนามขันรวมตัวกันอยู่คือการสื่อต่อของวิญญาณเมื่อมีวิญญาณรูปประขันกับนามขันจึงมีอยู่เมื่อไม่มีวิญญาณรูปประขันกับนามขันก็ไม่มีแล้วอะไรก่อให้เกิดวิญญาณสังขารสังขารมีอะไรบ้างกุศลสังขารับอกุศลสังขารใช่ไหมบุญกับบาป ดีกับชั่ว ة. เมื่อมีบุญมีบาปมีดีมีชั่วก็ต้องมีวิญญาณเป็นตัวสื่อต่อบุญก่ให้เกิดสังขาร น, นามรูปที่ดีบาปก็ให้เกิดสังขาร น, นามรูปที่ไม่ดีบุญก็ให้เกิดสังขาร น, นามรูปที่เป็นมนุษย์เทวดาพรหมบาปกอ่อให้เกิดสังขาร น, นามรูปที่เป็นสัตว์เดรัจฉาน <Yep. S 2> เปพตพิษาจสุ ร, ร ก, าสกายนรกสัตว์นรกเห็นไหมการสืบต่อของสังขารเป็นอย่างนี้ ตราบใดก็ตามที่เราไม่เข้าใจบุญและบาปตามความเป็นจริงตราบนั้นมันจะเกิดการหยั่งลงของขันทั้งปวงในบุญและบาปคือการการก็เรียกว่าการการหยั่งลงหมายถึงว่าบรรดาขันทั้งปวงถูกสร้างขึ้นด้วยกระแสะแห่งกุศลและอกุศลเป็นไปตามกระแสะของกุศลและอกุศลที่เป็นอยู่ที่เราทำกันอยู่นี่แหละแล้วสังขารคือบุญกับบาปมาจากไหน ทำไมมันถึงเกิดขึ้นมาได้มาจากอวิชชามาจากอวิชชาความไม่รู้ใช่ไหมนี่นคือจําแบบได้อยู่เวลาจําแบบได้อยู่ความไม่รู้ก่อให้เกิดสังขารเราไม่รู้ว่าบุญส่งผลเราให้เป็นไปในวัฏฏะแต่ยังดับทุกข์ให้เราไม่ได้เราไม่รู้ว่าบาปก็ส่งผลให้เราเป็นไปในวัฏฏะบุญส่งผลเป็นไปในวัฏฏะในทางที่ดีคือการเวียนว่ายตายเกิดในทางที่ดี <S <S บาปส่งผลให้เป็นไปในวัฏฏะในทางที่ไม่ดี บุญและบาปเป็นแค่เครื่องส่งผลไม่ได้เป็นเครื่องดับทุกข์นะเพราะเราไม่รู้จักบุญและบาปนี่เองเวลาเราทําสิ่งใดๆก็ตามเราจึงยึดในบุญและบาปยึดในสังขารตัวเนี้แล้วเราเอาอะไรทําบุญเอาอะไรทําบาปเราใช้อะไรทําบุญทําบาปใช้ใช้ขน่แหละใช้ร่างกายคือขันกายกับจิตเป็นผู้ทําบุญทาบาป มีกายอย่างเดียวทําบุญก็ไม่ได้ทําบาปก็ไม่ได้มีจิตอย่างเดียวทําบุญก็ไม่ได้ทําบาปก็ไม่ได้ต้องอาศัยกายกับจิตทําจึงจะเป็นบุญเป็นบาปขึ้นเมื่อเราทําบุญทําบาปเรารู้จักขันตามความเป็นจริงไหมเรารู้จักกายรู้จกักรูปเวทนาสัญญาสังขารตามความเป็นจริงไหมเราไม่รู้ตามความเป็นจริงเมื่อเราทํามันจึงเกิดเป็นผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปสืบเนื่องตอบสนองกับขันที่เราทําตัวกายกับจิตเนี่ยพูดถึงขันนี้เข้าใจไหม ขันห้านี่นะเออถ้าเข้าใจนี้จะจะไปได้ง่ายเมื่อเราไม่รู้ว่าเราใช้กายกับจิตเป็นผู้ทําซึ่งกายกับจิตเราเห็นว่าเป็นตัวเราอยู่เสมอเมื่อเราเห็นว่ากายกับจิตเป็นตัวเราอยู่เสมอตัวขันเนี่ยเป็นตัวเราอยู่เสมอเมื่อเราทําอะไรก็ตามลงไปมันจะเป็นของเราทั้งหมดทั้งทําบุญทั้งทําบาปมันจะเป็นของเราเพราะเราเห็นว่าขันนี้เป็นเราแม้เราทําบาปแมาเราไม่อยากจะได้บาปมันก็ได้มาเองอัตโนมัติเพราะเราเห็นว่าเรานี่คือตัวเรา ผู้ทำคือกายกับจิตเป็นผู้ทําเป็นผู้กระทํากรรมตามกฎแห่งกรรมกําหนดไว้ว่ากระทํากรรมใดแล้วผู้ที่กระทําลงไปนั่นแหละจะได้รับผลแห่งการกระทานี่คือกฎแห่งกรรมไม่มีใครตั้งขึ้นแต่เป็นกฎเองมีอยู่เองโดยธรรมชาตินะกฎตัวเนี้เมื่อกฎนี้เป็นกฎที่มีอยู่เองโดยธรรมชาติไม่เกี่ยวกับการบัญญัติของใครบุคคลผู้ยึดถือในกายในจิตว่าเป็นตัวเองได้กระทําลงไปแล้ว บุญกับบาปจึงสืบเนื่องตามการกระทําที่ตัวเองได้กระทํามันก็สืบไปสืบไปกระทําังไปเอาบุญกับบาปก็ส่งผลเป็นวิญญาณปณิสนธที่วิญญาปฏิสนที่ก่ญญอให้เกิดนามลูกที่ดีหรือไม่ดีขึ้นนามลูกก่ให้เกิดอายตนะเพื่อรอรับภาษะในที่ที่เราได้ไปเกิดมาเป็นมนุษย์ก็รับภาษะของความเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาก็รับภาษะเทวดาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็รับภาษะในความเป็นเดรัจฉานเปรตปีศาจสุรกายก็รับภาษะภาษะคือการกระทบนะ ก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดไม่สุขไม่ทุกข์ตามภพภูมิที่ตัวเองเป็นอยู่ก็เกิดความอยากเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดแล้วเกิดอีกซ้ำแล้วซ้ำแล้ววนเวียนอยู่อย่างนี้ความทุกข์ก็เกิดวนเวียนวนเวียนวนเวียนเกิดแล้วเกิดตายเกิดตายเกิดตายนี่คือห่วงโซ่ที่มันเป็นอย่างนี้เนื่องเพราะเราไม่รู้จากกุศลสังขารอกุศลสังขารที่เรากระทาทีนี้เราจะดับทุกข์ได้ยังไงเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราจำไว้เลยนะ เมื่อใดก็ตามเราเห็นว่าเรารู้ว่ากายกับจิตไม่ใช่เราอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ ง, ก, งกายเป็นเพียงแค่ธาตุสีดินน้ำไฟลมประกอบกันเข้าจิตเป็นเพียงแค่นามสีที่มาจากเวทนาสัญญาสังขารและบิน ญ, ญาณเป็นเพียงแค่อาการที่ปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสุขของเมื่อวานนี้เกิดขึ้นดับไปหรือยังหรือมันยังค้างอยู่ทุกข์ของเมื่อสิปีที่แล้วหรือห้าปีที่แล้วนี่ มันดับไปหรือยังหรือยังค้างอยู่มันก็ดับมันก็เป็นอาการของนามที่เกิดและดับมันไม่ได้มีอยู่จริงกายก็ไม่ได้มีอยู่จริงเพราะมันก็ดับไปทุกขณะตอนเราเป็นเด็กมันก็ดับไปแล้วตอนที่เรากําลังเติบโตมันก็ดับไปแล้วตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่ก็ดับไปแล้วเพราะร่างกายมันก็ดับทุกขณะอารมณ์แห่งจิตคือเวทนาสัญญาสังขารมันยังก็ดับไปทุกขณะความทรงจําที่เราจดจําเรื่องใดๆดไปมันก็ดับไปทุกขณะใช่ไหมหลัง สิ่งที่เราคิดก็ดับไปทุกขณะถ้าความคิดมันตั้งอยู่ตลอดเราจะคิดเรื่องอื่นอีกได้ไหมไม่ได้มันมันดับมันจึงคิดเรื่องใหม่มันดับจึงคิดเรื่องใหม่มันดับจึงคิดเรื่องใหม่ถามว่ามันมีแก่นสารไหมหล่ะไม่มีแก่นสารคำว่าแก่นสารเป็นสิ่งที่มันจะตั้งอยู่คงที่ตายตัวคือความเป็นสาระแก่นสารในตัวมันไม่มีเวทนาก็ไม่มีแก่นสารสัญญาก็ไม่มีแก่นสารสามขานก็ไม่มีแก่นสารวิญญาณก็ไม่มีแก่นสารเมื่อไม่มีแก่นสารกายเองก็ไม่มีแก่นสารเพราะเป็นแค่ธาตุประกอบกันรวมตัวกัน ความแก่้งสารในตัวของขันทั้งห้านี้ไม่มีเมื่อเราเห็นชัดประจักษ์ชัดเข้าใจชัดรู้ชัดมันจะเกิดการสลัดออกจากการยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของตัวเองเมื่อการสลัดออกจากการยึถรดออากกายถือว่าเป็นตัวของตัวเองเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นแหละภพชาติจะดับทันทีทำบุญก็ไม่ได้สำคัญว่าตัวเองเป็นผู้กระทำเป็นเพียงแค่กิริยาแห่งการกระทำบุญก็ไม่ได้สืบต่อเป็นภพชาติทำบาปก็ไม่มีบาปติดตัว เอ๊ะรู้อย่างนี้ยังทําบาปอยู่เรยมันก็มีบาปแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของคนคเข้าใจไหมแม้แต่ระดับพระอริยเจ้าบางทีก็ยังมีการทําบาปด้วยกันอะไรไม่เจตนาอย่างเช่นพระจักกรุบาลเดินเป็นเหยียบสัตว์ตายเดินเหยียบสัตว์ตายไต่เอืมทางจงกรมทางทางเดินจงกรมนะ่ะฝนตกอย่างนี้แหละท่านไปเดินจงกรมแล้วสัต ว, มวมนนม์มันออกมาพวกแมงเ้าแมงน้อนแมงอะไรมันออกมาตามทางจงกรมใช่ไหมล่ะท่านก็เดินเหยียบจนตาย พี่สูรก็ไปฟ้องผู้ที่เจ้าพระจักคุบาล น, นี่ตาบอดนะมองไม่เห็นสัตว์ก็ไปฟ้องพู้เจ้าว่าจักคูบาลเนี่ยเดินเหยียบสัตว์ตายจักคูบาล น, นี่ทําทําทําผิดพระธรรมวินยัยพะไปเหยียบสัตว์ตายทำสัตว์ให้ถึงชีวิตตกล่วงไปผู้เจ้าบอกว่าพวกเธอเห็นจักคูบาล น, นั้นเหยียบสัตว์ตายหรอถึงมาพบบอกกับเราใช่ข้าพระองค์เห็นพระเจ้าค่าเออพวกเธอเห็นแต่จักคูบาลเขาไม่เห็นเ <c oughs> ข้าใจไหม <c oughs> จักคุบาลไม่เห็น เมื่อจากคุบันไม่เห็นโอดย่อมไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลไม่มีเจตนาโทษไม่เกิดถามว่าแต่ว่าเป็นบาปไหมเป็นแต่โทษไม่เกิดโทษ อ, อันเกิดจากบาปแห่งการกระทําการการฆ่า่ะมันไม่เกิดเพราะไม่มีเจตนาเพราะนั้นพระเจ้าตัดโอดอยู่ที่เจตนาเนี่ยสิ่งที่พระเดียะเจ้าเป็นอยู่บางครั้งมันก็มีกระทบกับสัตว์อื่นกระทบเบียดเบียนสัตว์อื่น แต่ไม่ได้เบียดเบียนเกิดจากการจิตเบียดเบียนแต่เบียดเบียนเพราะความเป็นอยู่โดยธรรมชาติที่ต้องเบียดเบียนนะแต่พระพุทธเจ้าจะไม่ตัดว่าเป็นโทษหรือเป็นบาปในส่วนนั้นแต่ก็เป็นบาปในส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นอัพยากตกรรมกรรมที่เป็นกลางๆนะไม่เป็นบุญเป็นบาปอะไรทั้งสิ้นเพราะท่านไม่มีการยึดถือในตัวตนไม่มีตัวเองมันก็เป็นเพียงแค่ขันถามว่าการที่ท่านเดินเหยียบสัตว์ตายเนี่ย โดยที่ท่านไม่เห็นเนี่ยหากท่านไม่ใช่พระอริยเจ้าไม่ใช่พระอรหันต์ท่านจะต้องเกิดเป็นสัตว์ให้ถูกให้ถูกคนเหยียบตายอีกเหมือนกันเนี่ยผลของกรรมแม้ท่านไม่เจตนาก็ตามแต่เนื่องจากว่าท่านเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมล่ะเป็นพระอรหันต์พระจักรุบาลนี่เป็นอรหันต์นะจะไม่มีการยึดถือในตัวตนท่านเหยียบสัตว์ตายนะแล้วท่านไม่มาเกิดอีกเป็นมนุษย์ จะมารับโทษของการถูกเหยียบตายอีกไหมในภพชาติต่อไปไม่มีเพราะนิพพานคือยุติการเกิดทั้งมวลแล้วนะเมื่อ ม, มีการเกิดอีกการที่จะกลับมาเป็นสัตว์ให้ถูกเหยียบอีกก็ไม่มีอาจจะไม่ได้เกิดเป็นสัตว์อาจจะเกิดเป็นคนแต่ถูกคนเหยียบก็มีถูกช้างเหยียบก็มีอะไรกับประเภทเนี้เพราะผลแห่งจากการถูกเหยียบหรือถูกกระทําบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามเจตนาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนได้ในชีวิตจริงของคนเนี่ย บางคนไม่มีเจตนาที่จะอทําอะไรที่เป็นโทษกับเราเยแต่มันก็กระทำเป็นโทษกับเราได้เนี่ยอะไรพระเจ้าซึ่งจึงตัดสอนถึงคุณธรรมแห่งความเป็นพระอริยเจ้าการทํำบาป บ, บางอย่างไม่มีโทษติดตัวท่านไปเพราะท่านไม่ได้มาเกิดเพื่อรับใช้โทษอีกต่อไปนะเป็นอย่างนั้นวิธีตัดภพตัดชาติก็คือรู้จักขันธ์นี้ตามความเป็นจริงแล้วสลัดออกจากการยึดถือภพชาติก็จะหมด แค่นั้นเองแค่นั้นนะแต่ว่ากลัวจะไปได้กลักวกลัวจะไปถึงการสลัดออกนี่แม่ไม่ง่ายถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับทำและการเวียนว่ายตายเกิดว่าอย่างไรว่าอะไรมันก็เกิดการเกิดการตายผู้เจ้าตรัสไปว่าก็เป็นเอ่อเป็นอะไรธรรมะเกี่ยวกับการเกิดการตาย มันก็เกี่ยวกับความเกิดความดับนั่นแหละเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเวียนไหวตายเกิดคือการตั้งคําถามบางทีควรจะตั้งคําถามเป็นประเด็นให้ให้ให้ให้ระบุความต้องการอยากจะทราบให้ให้ชัดเจนหน่อยก็ดีนะบางทีตั้งคําถามไปตามความรู้สึกบางทีมันก็ตอบอย่ากกันว่ายังไงกันแน่ตัดเกี่ยวกับทำการเวียนไหวตายเกิดไปยังไง ก็ส่วนมากคือเกี่ยวกับกรรมนั่นแหละคือใช่เป็นปวดแห่งกรรมนั่นแหละถ้าจะทําก็คือทําเกี่ยวกับปวดแห่งกรรมไม่แน่ใจว่าคนถามต้องการทราบอะไรในตรงนี้คือทําทําให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมทําที่ทําให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ก็กรรมนั่นเองจะทํากรรมใดไม่ก็เกิดตายเกิดตายรับใช้กันต่อไป พอพทิสัตว์กับรอริยสงฆ์มีความแตกต่างกันอย่างไรพอทิสัตว์นั้นยังเป็นบุตรชนอยู่อริยสงฆ์นั้นไม่ใช่บุตรชนนี่คือความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโพธิสัตว์ยังไม่สามารถดับกิเลสภายในตัวเองได้แต่อริยสงฆ์นั้นดับกิเลสภายในตัวเองได้อันนี้คือความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถามว่าศีลอุโบโสถคืออะไรครับอุโบสถแปลว่าการอยู่จําการอยู่จำํำหมายถึงว่าเขาจะใช้ในกรณีของการอยู่จําเฉพาะ ในวันที่เรียกว่าวันอุโบสถคือวันแปดค่ำหรือ15บห้าค่อย่างเงี้ยเขาเรียกวาการอยู่จำอยู่จำอะไรหมายถึงว่าเขาจะหยุดการงานทุกอย่างแล้วอยู่ประจําที่อยู่ประจําบ้านอยู่ประจาเรือนอยู่ประจาวัดไม่ไปไหนไม่ออกไปทำอะไรไม่ทํากิจอะไรหยุดการงานทุกอย่างเขาเรียกว่าอุโบสถหากยังมีการงานอยู่แล้วไปถือศีลอุโบสถอันนั้นเีว่าผิดศีลอุโบสถคือการอยู่จำ อ ย, อยู่จําไหมว่ารักษาสีขาวบทของตัวเองไม่ให้ด่างพร้อยไม่ให้ขาดทะลุอย่างเงี้ยไม่ให้ถูกทำลายในสีขาวบทห้าประการบ้าง8ประการบ้างอย่างเงี้ยตามวาระโอกาส8ปดขั้มหรือ15บห้าขั้มที่เจตนางดเว้นขึ้นมาเรียกว่าศีลอุโบสถคือการอยู่จําอยู่ประจําที่ประจําทางโดยไม่ทําการงานใดๆเกี่ยวกับการคลองเรือน พระวินัยกับพระอภิธรรมคืออะไรพระวินัยคื อ, อบทบัญญัติที่ควบคุมการการกระทําของภิกษุไม่ให้ละเมิดอภิธรรมคือธรรมที่โพลทรงตัดไว้เป็นส่วนพิเศษทําไมถึงตัดไว้เป็นส่วนพิเศษเป็นธรรมที่เหมาะแก่เทวราเหมาะกับเทวราพระเจ้าจึงแสดงอภิธรรมที่เทวโลกเหมาะกับเทวรา เพราะเทวดาจะฟังอภิธรรมได้ดีจะทราบได้ง่ายมนุษย์ทราบได้ง่ายไหมมนุษย์ทราบได้ยากมากนอกจากมนุษย์ที่มีปัญญาหรือมีอัธยาศัยจิตใกล้เคียงกับเทวดานะจึงจะสามารถรับฟังอภิธรรมได้แต่หากมนุษย์ทั่วไปที่ไม่มีอัธยาศัยใกล้เคียงกับเทวดาก็รับฟังอภิธรรมก็ไม่ค่อยได้เพราะ อภิธรรมเป็นธรรมที่ต้องรับทราบด้วยอธยาไสที่ละเอียดพระย่าตัดถึงกุศลธรรมากุศลธรรมะพยากาธรรมะเทวดามันรู้เลยว่ามันมาเป็นมันมาเป็นเทวดาได้เพราะบุญกุศละกุศลธรรมะมันรู้เลยว่าอ๋อที่มันมาเป็นเทวดานี่เป็นเพราะบุญมันรู้มันรู้อัตโนมัติคุณรู้โดยไม่ต้องไปเชื่อใครนะก็มันทําบุญมามันจึงได้เป็นเทวดาทําบาปมันก็เห็นสัตว์ทั้งหลายไปเกิดเป็นเป็นสัตว์ ไปเกิดเปรตเป็นผีเป็นบิษณุเป็นเป็นต่างๆนานาเทวดามันเห็นเนี่ยมันก็เล่อ๋อไอ้พวกนี้ทําบาปมันทราบผู้เยาบอกว่ากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมามันก็ชัดขึ้นมาภายในตัวเองเลยแต่มนุษย์จบอกว่าอันนี้เป็นกุศลเป็นอกุศลนะอกุศลควรเมตกุศลควรทํามันยังไม่เชื่อเลยเข้าใจไหมเอาพิธามนี้เอามาสอนคนยากมากเลยนะยากมาก เ้าก็เลยเอามาสอนเอามาสวดในในงานคนตายเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรล็อกกับคนนะมันประโยชน์อะไรเลยนะพระวินัยกับอภิธรรมต่างกันพระวินัยเอาเป็นหลักปฏิบัติพระวินัยแม้กระทั่งชาวบ้านมีวินัยกี่ข้อชาวบ้านมีวินัยกี่ข้อห้าข้อเออเป็นหลักนี่คือห้าข้อบนคนุคคลผู้ต้องการอยู่จําอุโบสถต้องใช้วินัยกี่ข้อแปดข้อ สองวระเด็นวิในวิในกี่ข้อสิบข้อภิกษุสองรอยิบเจ็ดเอารู้กันใช่ไหมละ่ะก็สามารถเช็คได้ว่าใครทำวิในถูกผิดอะไรยังไงถูกต้องไหมไ ม, ไม่จะเป็นผู้เจ้าบอกว่าพระวิในห้าข้อนี้วิในห้าข้อของชาวบ้านนี้ผู้เจ้าบังคับให้ถือครบไหมเอาถามพวกเรา <S <S ไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับไม้บัคบไม่ได้บั้าบ้ังค่้ังบได้้คบไ่งไมด้มไม่ได้ แต่ถ้าถือครบดีไห ม, ไมเออก็ดีจะเอาดีหรือเอาไม่ดีเจียกยาทามเนะคิดข้อที่หนึ่งปลาหนาเนาะปลาน า, มนะ า, นามสมมุติว่าเราฆ่าเราฆ่าสัตว์โดยที่ไม่รู้นี่มันเป็นบามาเป็นปีมันเป็นปลานาก็ก็อย่างที่เล่าให้ฟังการค้นสืบนะตีสูตหรือตีเนาะก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าหากเราเป็นบุตรชนฆ่าสัตว์ โดยที่ไม่เจตนาที่จะฆ่านะเช่นขับรถไปชนคนตายโดยที่ไม่เจตนาที่จะชนมันไม่มีจิตโกรธแค้นไม่มีจิตแค้นเคืองแต่มันวิ่งตัดหน้าแล้วก็ชนมันเปี้ยงแล้วก็มันตายไม่เจตนาจะฆ่าถามว่าเป็นบาปไหมเป็นเอะเป็นไ อ, เ, อเป็นแต่แต่บาปนั้นมันไม่รุนแรง คือกำลังแห่งบาปมันไม่รุนแรงเราก็อาจจะถูกชนแบบไม่เจตานากับพืนในลักษณะอย่างนั้นเป็นกรรมเเป็นกรรมอย่างหนึ่งเป็นกรรมที่จะต้องได้รับผลกระทบต่อชีวิตหากมีการเกิดอีกนะหรือว่าขับรถไปเหยียบสัตว์ตายเราก็ไม่ต้องการจะฆ่ามันแต่ว่าด้วยกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งกรรมมันไม่เกี่ยวว่าเราจะเจตานาหรือไม่เจตานา เพราะกรรมมันมีอกรรมที่เป็นกลางๆด้วยอภัยกรารธรรมกรรมภาษาลิขศิลป์คือคนที่คนที่กินเจกับคนที่ไม่กินเจแล้วจะได้บุญบาปต่างกันอย่างไรพระเจ้าไม่ได้บัญญัติบุญเกี่ยวกับการกินเจการกินเจแล้วเป็นบุญพระเจ้าไม่ได้บัญญัติเอาอย่างนี้ดีกว่าคนกินเจมักจะทําอาหารเป็นรูปสัตว์ออกมาใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าอย่างนี้นะภิกษุ ลินน้ำดื่มธรมรมดานี่นะลินน้ำดื่มแต่เข้าใจประสงค์จะให้น้ำนี้เป็นสุราคือ<ม>ทําความให้เหมือนว่าเป็นน้ําสุรา<ม>แล้วก็ดื่มแล้วก็ดื่มน้ําที่เป็นน้ําธรมรมดาจืดๆเนี่ย<ม>เข้าใจนั้นมองว่าเป็นน้ําสุราแล้วดื่มเข้าไปผู้เจ้าบอกว่ามีโทษเทียบกับดื่มสุราเพราะว่าเป็นการโกหกเป็นการหลอกลวงมันอยู่ที่จิตจิตไปสร้างสร้างน้ําธรมรมดาให้เป็นน้ําสุราโดยความคิดของตัวเอง เขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์แต่เขาเอาเอาเอาเอ า, เอาสิ่งที่เป็นพืชมาสร้างเป็นรูปเนื้อสัตว์แล้วคิดว่าเป็นเนื้อสัตว์ก็คือกินเนื้อนั่นเองเก็พ้นจากพ้นจากทิฏฐิคือความเห็นที่เข้าใจว่ากินเจแล้วเป็นบาปเอกินเนื้อสัตว์แล้วเป็นบาปอันนี้ก็คือถาเผื่อตัวเองเพราะว่าตัวเองตีกายกินเจหมดที <c oughs> ขนาดกินน้ําโดยคิดว่าเป็นสุรายังมีโทษเหาอไหม ย, ยังยังยังมีโทษเทียบทัเท่ากับกินสุรากินเจโดยคิดว่าเป็นเนื้อสัตว์นั้นทอนี้ขึ้นมาก็เป็นโทษเท่ากับว่ากินเนื้อสัตว์หาคิดอย่างนั้นหาคิดว่ากินเนื้อสัตว์เป็นบาปนะก็จะได้บาปเพราะการกินกินเจนะ่ะแต่ทําเลียนแปลเป็นรูปสัตว์นะเข้าใจไหบเข้าใจค่ะเข้าใจ ทีเจอยู่ยยเป็นีแต่ว่าไม่ได้ฟังธรรมะแบบลึกซึ้งขนาด น, นี้นะคะอาจารย์อ๋อนี่ลึกซึ้งแล้วเหรอลึกซึ้งค่ะลึกซึ้งแล้วอาจารถามว่า <c oughs> สร้างเจดีมีในสมัยพุทธกาลไหมเออเหมือนเคยตอบไปแล้วตอบไปแล้วนะเรื่องนี้เคยตอบไปแล้วเจดี JD มีสมัยในพุทธกาลไหมเอา้าเจดีมีไหมในสมัยพุทธกาล เนพเจดีข่อ้เ่เป็นขัตัพระเจ้า่ได้นเลยเจดีมีไหมมีของพระเจ้ากรหันเจดีก่อนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตัดสรุมีเจดีไหมยังไม่มียังไม่มีพระุทธเจ้าตัดสรุแล้วมีเจดีหรือยังค่ะฮะอะไรคือเจดีต้นโพคือเจดีใช่ไหมอะไรอีก กุติของผู้เจ้าคือเจดีใช่ไหมอะไรอีกมันเจดีเขาไม่ับเป็นสัญลักษณ์แทนของผูธเจ้าไม่ใช่สัญลักษณ์สิ่งที่ก่อให้เกิดการระลึกถึงเจดี JD มันจะคข้ามาจิท่าสมีความหมายว่าก่อการก่อสิ่งที่ก่อให้เกิดความระลึกถึงใช่ไหมละ่ะเรียกว่าเจดีไม่ใช่ไอเจดีคือทรงยอดแหลมๆอันนั้นนะไม่ใช่เจดี ครั้งก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าครั้งก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีพระเจ้าเขามีสถูปไหมมีสิสถูปมีมาก่อนพระเจ้าอีกสถูปแปลว่าอะไรสถูปคือสิ่งที่บรรจุสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุจะบรรจุอะไรก็ตามอ่ะเข้าใจไหมทีนี้พระเจ้าบอกว่าสถูปมีแต่เจดีเนี่ยจะมีเฉพาะในยุคของพุทธองค์เท่านั้น คือสิ่งที่ก่อให้เกิดการระลึกถึงพระ อ, องค์อะไรไหมที่พระองค์ทรงตัดไว้เจดีมีอะไรบ้าง1นึธาตุเจดีมีหลังพระองค์ปริยถิพันธ์แล้วเท่านั้นสองอะไรเืองทบริโภคเจดี JD, สิ่งที่พระองค์ทรงใช้สอยก็มีต้นโพเครื่องบริขารกุฏิอย่างเงี้ยหรือวิหารที่พระองค์ทรงใช้สอยเรี ว, ว่าบริโภคเจดีสามอุเดสิกาเจดีสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ จำไว้เลยนะอุเดศิกะเจดีแปลว่าสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุแต่เป็นสิ่งที่เนื่องด้วยพระธรรมคดอันนั้นก็คือธรรมะแล้วพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าบรรดาธรรมทั้งปวงที่พระองค์ทรงตรัสสอนคือธรรมะเจดีเป็นเจดีอย่างหนึ่งก่อให้เกิดการลื้อถึงพระ อ, องค์หากสร้างสถูปขึ้นมาแต่ไม่มีสิ่งที่พระองค์ทรงใช้สอยอยู่ในในสถูปนั้นไม่ได้บรรจุไว้หรือไม่มีภาพบรมสารีริกธาตุของพระองค์บรรจุไว้จะชื่อว่าเป็นเจดีไหมไม่ใช่ ไหมความเป็นเจดีกับสัถูกคนละเรื่องกันนะเอาทีนี้เขาบอกว่า พ, พุทธรูปเป็นอุเดศิกะเจดีแต่ในศิ่งที่วงทรงตัดไว้ว่าอุเดศิกะเจดีไม่ใช่วัตถุใดๆเลยไม่มีวัตถุปรากฏ พ, พุทธรูปจะเป็นอุเดศิกะเจดีได้ไหมไม่ไ ด, ไได้แต่หากเอาพุทธรูปสร้างขึ้นมาแล้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพุทธรูปพุทธรูปเป็นเจดีได้ไห ม, ไมไเป็นได้ แล้วพุทธลูกก็เป็นพุทธลูกที่ควรค่าแก่กันเคารพหากพุทธลูกนั้นเป็นเป็นที่บรรจุพ่อลมสารีริกธาตุขครยังไห ม, ถ, ไมถ้าไม่มีพ่อลมสารีริกธาตุพุทธลูกนั้นควรเคารพไหมไ ม, ไม่ควรเคารพเพราะมันไม่ใช่เจดีอ่ะเอาเาบอกว่าเขามีรูปลักษณ์สั ญ, ญลักษณ์แบบพระพุทธเจ้าอยู่ถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นรูปลักษณ์อย่างนั้นไหมใครเคยเห็นไม่เคยเห็นเนี่ยอาตมาก็ยังไม่เคยเห็นเนี่ยก็ยไม่เคยเห็นอาตมาเชื่อว่า ยุคนี้ไม่ีใครเคยเห็นสักคนยุคร้อปีที่ผ่านมาก็มีใครเคยเห็นสักคนยุคพันปีที่ผ่านมาก็มีใครเคยเห็นสักคนมีแต่ยุค 2,500 กว่าปีนั่นที่เขาเกิดร่วมพุทธเจ้าถึงจะเคยเห็นใช่ไหมเขาก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาแล้วยิ่งยุคลังหลังพระเจ้าอาโศกยุค300อปีหลังพุทธการพระองค์ก็ไม่สร้างเพราะเขาถือว่าเป็นการดูหมิน่นถือว่าไปสร้างสิ่งที่ไปเทียบกับพุทธเจ้าด้วยวัตถุเนี่ยเอาวัตถุไปเทียบกับความเป็นพุทธเจ้า มันเทียบไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีคุณค่าเพียงพอที่จะเทียบได้แม้สัพบเท่าปแห่งขนไทรจะเอาทองคําจะเอาเพชรดินจินดามาสร้างผู้บ ย, ย, ย, ยิวารยงไงก็เทียบไม่ได้เมื่อเทียบไม่ได้จึงไม่ใช่เป็นวัตถุที่ควรจะมีไว้เพื่อสักการะเคารพแต่หากรูปเคารพนั้นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอันนั้นควรจะนับเป็นเจดีย์ ทนี้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเอามาจากไหนก็กระดูกกันแล้เอามาจากไหนกระดูกพระพุทธเจ้า่ะเห็นมีเต็มเกื่อนในหัวเลยทุกวันนี้แ <math. S 2> บ่งองค์ได้ด้วยฮะแ บ, บ่งองค์ได้ด้วยแยกอะไรครับเพิ่มองค์เสด็จมาเองอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นใช่พระบรมสารีริกธาตุหรือเปล่าไม่ใช่เป็นอะไรล่ะแล้วทําไมทําไมเขาถึงบอกว่าเป็นมีเป็นพระบรมสารีริกธาตุมันคืออะไรล่ะ เ ป, เป็นอะไรก็ไม่รู้่นะนาาก็ศรัทธาน่ยแต่ศรัทธาในความลุ่มหลงศรัทธาบนความลุ่มหลงลุ่มหลงของคน<า>นะเป็นความศรัทธาบนความลุ่มหลงแล้วหากพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมีอยู่จริงอ่ามีอยู่จริงเท่าที่เห็นที่เขาไปถ่ายมาจากอินเดียเป็นในสถูปสถูปที่เขาเก็บบรรจุไว้ในตั้งแต่ครั้มภูธการ แล้วก็จานลึกไว้ข้างข้างพระอบที่เก็บไว้น่ะบอกว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุด้วยภาษาของชนชนเผ่าของเขาชนชนชาวพื้นเมืองที่เขาเอาไปเก็บไว้น่ะมีกี่เมืองนะที่แยกที่แบ่งกันหลังจากพุทธยาบาลิยพันมีกี่เมืองเจเมืองเจ็ดหรือแปดหรือเจ็ดเมืองใช่ไมเจ็ดหัวเมืองที่แยกกันไปน่ะเออนั่นแหละเขาก็ไปเจอเขาไปขุดเจอในโบราณสถานสัถูกนั่นอ่ะออมาดูก็เป็นเป็นกระดูกธรรมดาของเหมือนกืบกระดูกคนตายธรรมดานี่น่ะ ไม่ได้มีลักษณะเป็นพลึกเป็นแก้วมณีเป็นอัญมณีเป็นดอกไอเป็นสีสันต่างๆนานาไม่ใช่ยังไงก็สันเป็นก็ก็เป็นกระดูกธรรมดาเนี่ยกระดูกเหมือนกระดูกคนตายนี่แต่ทุกวันนี้มีพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าเออเป็นพลึกเป็นแก้วเป็นเม็ดใสๆเป็นโอ้สารพัดมันก็เลยทําให้น่าคิดอยู่ว่า มันอะไรมันมันคืออะไรมันนบบี่แปลว่คือเรียกว่าศรัท ธ, ธาบนความรุ่มหลงของคนหากจ ะ, จะเอาของของจริงอ่ะเขาแบ่งมาให้รัชกาลที่หใช่ไหมละ่ะเขาขุดเจอปุ๊บเขาก็แบ่งมาให้รัชกาลที่ห้าเพราะเขามองว่าประเทศใดในเอเชียที่มีกษัตริย์นับถือพุทธศาสนาในเวลานี้เขามองว่าอ๋อมีนก็มีแต่ประเทศไทยเท่านั้น ที่มีกษัตริย์นั่ถือพุทศาสนาก็เลยแบ่งมาให้ใชเชนบลราในเวลานั้นนะรัชกาลที่ห้าน่ะก็บรรจุไว้ในวะะัดสักเกตภูเขาทองอันนั้นนับเป็นเจดีเพราะมีที่มาที่ไปแน่นอนแต่อันที่ลอยมาที่นี่สเสด็จมาลอยมามาจากไหนก็ไม่รู้นะอันนั้นน่ะไม่มีที่มาที่ไปแน่นอนอันนั้นไม่ควรจะนับเป็นพระบรมสารีริกธาตุและอาตมานี้ไม่ชื่นชมยินดีในครองคนที่ อ่ายึดถือข้อพ้องไว้อย่างนั้นว่าเป็นสิ่งที่ควรเคารพ บ, บูชาไม่ขอยอมรับแล้วก็ไม่ยึดถือถ้า พ, าพนมเป็นอูลังคาธาบอันนี้มีที่มาที่ไปแน่นอนว่าเขาก่อสร้างขึ้นมาเพื่อใส่กระดูกหน้าอกของพระธูโองแต่ก็ไม่เคยเห็นสักทีแม้จะมีการบูรณะก็ไม่เคยเห็นถ่ายรูปออกมาให้เห็นว่ากระดูกนั้น่ะชิ้นนั้นเป็นยังไง ไม่เห็นแต่ก็เชื่อเพราะเป็นสิ่งที่มีประวัติศาสตร์แต่ก็เชื่ออยู่ว่าเป็นจริงนับเป็นเจดีย์ได้ที่อูลังคธาตุอูลังคธาตุคือธาตุพนมนั่นแหล ะ, ะทีนี้หากเป็นพระบรมสารีริกธาตุของจริงควรที่จะนำมาไว้เป็นของตนเองไหมเพราะอะไร ควรจะเป็นของกลางใช่ไหมพระบารมศารีริกธาตุของพระุทธเจ้าควรจะเป็นของกลางไม่ควรจะเป็นของตัวเองใครยึดถือเป็นของตัวเองควรจะได้บุญหรือได้บาปาบาป เ, เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ในครั้งพุทธการก่อนก่อนสมัยพุทธเจ้าเราเป็นพระเจ้าองค์ก่อ น, อนที่มหากษัตริย์องค์หนึ่ง เอาพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้ามาอุปถัมภ์อยู่ผู้เดียวเข้าใจว่าตัวเองเป็นใหญ่ในเมืองเราเราเมื่อเราเป็นใหญ่เราก็ต้องมีสิทธิในพระพุทธเจ้าเอาพระุทธเจ้ามาอุปถัมภ์คนเดียวไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นมาทําบุญด้วยเลยจนเขาจะยกทัพมาม า, มาลบอ่ะลบกับเมืองเนี้ยบอกไม่ยอมให้พระพุทธเจ้ามาให้พวกเราทําบุญด้วยเลยทําบุญแต่คนเดียวเนี่ยคือการครอบครองพระเจ้าไว้คนเดียวพระเจ้าเป็นสาธารณะเข้าใจไหม หาใครเอาบรมสารีกธาตุไปไปไว้เฉพาะตนเองเฉพาะบ้านของตอนเองยึดถือข้อความไว้ของตอนเองบาปมาหันาาบ า, บ า, าไม่ใช่พระเจ้าไม่ไมีฐามาไม่ก่อนก่อนหน้ายุคของพระุทธเจ้าเรานี้ยุคก่ อ, อนอโน้นไม่ก่อนหน้าพระพุทธเจ้าเราออเออก่อนหน้าพระพุทธเจ้าเราใช่ ใช่พระเจ้าเองพระองค์ก็บอกว่าตถาคตเป็นสาธารณะต่อเทวดาและมนุษย์ไม่ขึ้นเป็นปัจเจ ก, กะของใครใครจะยึดถือพระองค์ก็ไม่ไม่ได้ไม่สามารถที่จะยึดได้ยึดเป็นสมบัติเฉพาะบุคคลอันนี้เอาไปเป็นสมบัติเฉพาะตนเองเลยไหมโอ้อันนี้ใช้ไม่ได้ยึดเอาไปเป็นสมบัติเฉพาะตนเองในสิ่งที่เป็นสาธารณโอ้นี่มีหักอะไรสามถุงแล้วหนึ่งเดีวเวลาพักเลยไง พอดีก็คาถามก็จบพอดีใจลยอค่งไงนะก็ตอบไปตามที่อยากจะให้คนเข้าถึงธรรมมากกว่าเข้าถึงวัตถุธรรมนะถ้าเมืออว่าไปติดแต่วัตถุธรรมอยู่แม้ติดในพระบรมสารีริกธาตุอยู่ค่อยห่างไกลจากพระพุทธองค์แต่ควรสักการะไหมควรแต่ก็ควรจะมีที่สักการะเป็นส่วนกลาง อย่าไปไว้เป็นของตนเองไม่ว่าจะเสด็จมาหรือมายังไงก็ตามอะไรก็ตามที่เราเข้าใจว่าเป็นพระบรมสารีราตนะเอาไว้เป็นส่วนกลางอย่ า, าไปไเป็นของส่วนตัวมีโทษสอบถามพระอาจารย์คืออาจารย์มีความคิดเห็นยังไงคะเกี่ยวกับพยานาเกี่ยวกับหนา้าเกี่ยวกับเลี้ยงคนทาไมนัาถือพญานากันมากก็คนเขานับเคยนับถือกันมาก่อน คนเขาเคยนับถือกันมาก่อนเขาเคยต้องนับถือกันคืนหมายถึงว่านาคพวกเนี้ทำ เ, เคยเคยเคารพกันมาแต่ครั้งก่อนๆและคนที่ไปเคารพนาคคนคนนั้นก็เคยเป็นบริวาร น, นาคมาก่อนเมื่อเขาเคยเป็นบริวาร น, นาคมาก่อนเมื่ออะไรก็ตามเกี่ยวกับนาคปรากฏขึ้นมาผ่านเข้ามาในความรู้สึกของเขาด้วยความที่เขาเป็นบริวารเขาต้องเข้ากลับไปเคารพนับถือสักการ บ, บูชาในสิ่งที่เขาเคยเป็น และเมื่อเขาตายไปเขาก็ต้องไปเกิดเป็นบริวารของนาคตามเดิมเพราะเขาเคยเป็นบริวารกันมาก่อนไม่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่หากเรามีสตินิดหน่อยคือหามีสติคิดขึ้นมาว่าจะยอมไปเป็นบริวาร น, นาค ก, กับเป็นบริวารพระพุทธเจ้าจะเป็นบริวารของใครอคดด เ, เออแค่คิดแค่นี้นะพอคิดแค่นี้เราก็ไม่ต้องไปไวหวนาคแล้วเราก็ไหวพระพุทธเจ้าเลยนาคยังเป็นเดรัจฉานอยู่ก็ยางไม่ นาคยังจัดอยู่ในสัตว์เดลฉานอยู่นะตระกูลสัตว์เดลฉานอยู่น่ะนาคเอานาคกับพระพุทธเจ้าใครบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าเออก็ก็กราบพระพุทธเจ้าสิไปกราบนาคทาไมคิดแค่นี้นะถ้ามีสตินิดหน่อยคิดอย่างนี้มันไม่ต้องไปแห่ไปกราบนาคหรอกเรามนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์เดลฉานยังไปกราบสัตว์เดลฉานอยู่นาคไม่ได้ดีกว่ามนุษย์เลยนะเขาเป็นสัตว์ทิพย์ก็จริงแต่ไม่ได้ดีกว่ามนุษย์ เนี่ยอยู่ในตระกูลงูตระกูลสัตว์นั่นจะไปคําชะโน ด, นนนดโอ้เออนี่นี่ยังยังมีบุญอยู่ยังก็เไปดีกว่าเพราะว่าคนมันมันมันเป็นกระแสไงคือตอนนี้หน้ากำลังดังหน้าที่นะคะหน้าที่หน้ไม่รู้อ่ะไม่ได้ดู เกี่ยวกับหนเกี่ยวกับอะไรดังดังะที่คนก็อยากจะไปไม่อยากจะไปจะไปอะที่กระแสมันดึงคนไปก็คนมันเป็นไปตามกระแสอยู่แล้วูมาก็เลยว่าคนคนไปร้ายก็ได้ประยชนนับภาษาอะไรกับหน้าเต่าเขาก็ยังไหวคันฆ่าเขาก็ยังไหวสัตว์พิการเขาก็ยังไหวจิงโจกสองหัวเขาก็ยังไหวนับภาษาอะไรกับหน้าถ้าพูดถึงกับความงมงายของคนแล้วมันไม่มันไหวได้หมดนะเนะ่ มันไหวถ้าพูดถึงความงมงายนะแต่จะพูดถึงหลักของพุทธศาสนาน่ะไปไหวสิ่งเหล่านั้นผีตพระรัตนไตผขาดใช่ค่ะพระอาจารย์นูก็ได้มาพยานาคแล้วเป็นพญานาคหรือเปล่านะไม่รู้ค่ะหนูก็เพราญานาคที่ไหนหรอไม่ค่ะบนบ้านหนางถืออันนั้นเลยอันน้ใครทามาก็เรื่องของเขาอะไรไม่ว่าอะไรหรอกนะ เขาทำเพราะว่าจะมัตถุก็เอายุคนมันมาแข่งร่างแข่งร่างของแขงมัมเอาก็เอาไปไว้ที่ที่มันที่มันเหมาะมันควรไม่ได้เอามาไว้ให้ใครมายึดถือศักการะบูชาอยู่ที่นี่เขาไม่ได้หบูชาสิ่งเหล่านี้เขายึดถือทำเขาบูชาธทำเขาศักการะสมบูรณ์เลยนถอดเอาเลยนะเพราะว่าที่คนเอามาให้นะก็แล้วแต่จะถอดหรือไม่ถอดอยู่ที่ดุลพินิจของเรา อาตมาไม่ได้บังคับค้าขายนี่คนรักคณลงเพรนจักจะคนรักคนลง่คนเกลียดคนลงคนรักสิบคนเกลียดจะเป็นร้อยคนรักร้อยคนเกลียดจะเป็นพันคนรักพันคนเกลียดจะเป็นหมื่นเพราะนั้นไม่ต้องมาลักกันหรอกเอาไปใส่แล้วคนจะรักหัวจะกลับคืนมาใช่ไ่มใส่ดูเสร็จแล้วอย่างที่ว่กลับคืนได้ไหมเพราะว่าคนี่ เอาละมันเอามาด้วยเหตุผลใดก็ตามหากกระทําด้วยความเชื่อโดยที่ไม่มีสติปัญญาก็ถือว่างมงายในสิ่งที่ทำเท่านั้นแหละหากทําด้วยความเชื่อโดยไม่มีสติปัญญาในการพิจารณาในสิ่งนั้นถือว่าสิ่งนั้นกระทําด้วยความงมงายให้เข้าใจอย่างนี้พอทําด้วยการขาดสติเพราะว่าคนที่เอาให้นะเ่อนเป็นเ่อนเป็นนาเลนะเ่อน <Yeah. S 2> เงี้ยพันห่วงพนห่วงพันห่วงพนวาอันนั้ น, นห่วงกันแบบผิดๆห่วงกันไม่ถูกต้องผู้เจ้าบอกว่าหากรักกันห่วงกันให้บอกกันนับถือพระราตนาไทระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรมสง์ <c oughs> ไม่ใช่ระลึกถึงน า, นาเจ้าใจไเดียวนามันยังไม่บริสุทธิ์พอที่จะไประลึกถึงวเจ้าจก็ันขึ้นมหาเจ้าให้เาหกเาลงเาะเาว่าพญานาน่จะดนบันดาลให้คนน่รักกันเป็นไว้ก็น่าจะไปโดนบันดาลให้ไอ ซีเรียกับอันนั้นรักกันหน่อยดิที่กําลังลบกันอยู่นั่นน่ะน้าเอ้ยมันอยู่ที่ไหนวะมันนี่แต่ว่าแต่ว่าตัวของตัวเองอะไม่ไม่ได้ไม่ได้เชื่อไม่ได้สรทาอะไรแต่ว่าใจพก็ก็ตามใจของมนเลยไม่ได้เลยไม่ได้สรทธานึ่ไม่ได้ผลทำไมเขียนซื้อสซีไม่ได้ผลอ่ะเราบังพูดไปเดี๋ยวมันจะทบคนที่เขาทํากันนั้นไม่เยอะนะ กระแสพวกนี้มันมีเยอะอยพเพราะฉะนั้นก็นอธิบายทำแส่เพียงเท่านีน้ะถ้ามี<ต>าอะไรมากกว่านี้ก็รอพรุ่งนี้นแั้วแหละม่ได้เทียดได้ทำทีนี้ก็เข้าใจลึกึ้งเลยพอแค่นี้ก่อน